8อดจเจกะจีวรสิกขาบท 51. ถามทรงบัญญัตินิสักคยปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รับอัจเจกะจีวอนแล้วเก็บไว้เกินสมัยจีวอนการณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถาม เพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พิกสุหลายรูปรับอัจเจกะจีวอนแล้วเก็บไว้เกินสมัยจีวอนการในอัจเจกะจีวอนสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐานสองสมุดฐานเป็นกถิทนะสมุทฐาน